พึงพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบพพกจะเกิดมาแต่ในแต่ไรคนเรานี่ไม่ค่อยได้มีใจสงบพอไรหรอกสงบ ก, ก็ชั่วคราวนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันก็คิดไปตามอารมณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นน่ะคนเราน่มันถึงได้หลงไหลทาความชั่วทำความผิดไปเรื่อยๆเนื่องจา ก, กว่าความคิดที่คิดไปนั้นปาศจากสติสัมปัจจญญะหรือปาศจากธรรมวิจัยะความสอดส่องในธรรม ดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปก็มีบางคราก็เข้าใจูกไปเมื่อเป็นเช่นนี้คนเรานะมันจึงได้ทำทั้งดีทำทั้งชั่วเพราะใจนี้เป็นต้นเหตุเมื่อใจเกิดความคิดที่เป็นไปในทางอากุศลมาเวลาใดมันก็ ใช้กายวาจารมพูดในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆไปขาวไดจิตเป็นกุศลจิตประกอบได้วยเมตตากรุณาเมื่อก็พูดดีทาดีไปแตเป็นอยู่เนี่ยจิตใจของคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุเทธเจ้า ดังนั้นจึงได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุทธทั้งความทุกข์คุกเข้ากันไปแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์นั่นแหละทําไมถึงว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนย่อมรักชีวิตไม่อยากตายนั่นเองเมื่อรู้ว่า ชีวิตนี่จําเป็นต้องแตกต้องตายทําลายขันจิตใจก็อะไรขันห้าอันนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความโศกอยู่ในใจนี่แหละผลสุดท้ายจึงว่ามันมีแต่ความทุกข์ความสุขไม่มีอความสุขมีได้เป็นบางครั้งบางคราวที่ บุญกุศลหนหลังยังอำนวยผลให้อยู่ท่านันแหละถ้าหมดบุญเก่าลงไปแล้วไม่มีความสุขอะไรที่จะ บ, บังเกิดขึ้นได้เลยบุคคลผู้ที่มีจิตใจมัวมอประมาทยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่สังสมบุญกุศลไว้ในตน ตั้งแต่เวลายังมีกำลังดีอยู่เมื่อเวลากำลังกายทุดโทรมลงไปแล้วจิตใจก็อ่อนแออะไรก็อ่อนไปหมดการทำความดีก็ได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้เช่นนั้นแหละได้ประสบความทุกข์มากดังนั้นควรพากันคิดพิจารณาให้ดี บุคคนเมื่อมารู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาเพราะความทุกข์นี่เป็นของทนได้ยากทนลำบากคำว่าทุกข์ังในที่นี้นะหมายความว่าจิตใจนั่นแหละเมื่อได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารแล้วก็แปรปวนไปตามร่างกายสังขาร น, นี้อย่างนี้นะมันก็ทำให้ จิตนั่นนะ่ะรู้สึกว่าไม่ผิดไม่ไม่เป็นปกติการที่จิตเคลื่อนไว้ไปมาไม่เป็นปกตินั่ น, น, นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายวิบัติแปลปูนไปนั่นแหละท่านเรียกว่ากายเป็นทุกข์แต่ร่างกายนี่ความจริงเนี่ยมันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารการบริโภคต่างหาก หล่อเลี้ยงไว้ทุกวันทุกวันจึงเป็นอยู่ไปได้ร่างกายนี่ปสัสยจากอาหารอันเป็นของโถครกโถกรปกเช่นนั้นแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปตั้งอยู่ไม่ได้เลยนี่จะไปเข้าใจว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนนะอย่าเข้าใจว่า เรายังไม่แก่ไม่เจ็บง่ายคอนยังไม่ตายง่ายคอนเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งสี่อย่างนี้จึงดำลงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ไว้วางใจไม่นอนใจผู้นั้นนะเพราะว่าปัจจัย เครื่องอาศัยของร่างกายคือบุญและบาทที่ทำมาจากก่อนนั้นมันหมดเป็นแต่มันจะหมดลงเวลาไหนเราก็สับไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นถึงได้เกลียมตัวไว้แต่เนิ่นนั่นเลยแต่เมื่อเวลายังมีกำลังวางชาอยู่บุญเก่ายังช่วยพยุงรักษาร่างกายอันนีโย ก็รีเล่งประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ทันเท่าไรนะักก็บำรงศรัทธาความเชื่อในทันในทานให้มากเข้าไปโดยลำดับเพราะว่าผู้ทำบุญกุศลมากก็มีความสุขมากนั่นแหล ผู้ใดทำบุญแต่น้อยก็ได้มีความสุขแต่น้อยอย่างว่าความสุขความสบายที่คนเราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือจะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลทั้งนั้นเลยบุคคลไม่มีบุญกุศลแล้วหาความสุขไม่ได้ให้เข้าใจ อันพยายามรีบเร่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เพียรละบาปออกจากตนแล้วเมื่อบุญเก่านี้หมดลงแล้วบาปมันก็ถดคล้าเอาดวงจิตวิญญาณอันนี้ไปสู่นรกอบายภูมินี่เป็นธรรมดาอยู่ยนี่สัตว์โลกทั้งหลายนะถ้าผู้ที่รู้ตัวอย่างนี้แล้ว เว้นบาปไม่ทำบาปเลยในชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งหาหนทางเว้นจากบาปกรรมให้ได้แล้วก็ตั้งใจบาเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงกามขึ้นในตนแล้วก็พยายามฝึ ก, กจิตใจอันนี้นะอย่าให้มันมัวหมองให้มันล่าเริงบันเทิงอยู่ในบุญในกุศล อย่าให้มันเป็นคนเจ้าโมโหโทโสอันนั้นมันเป็นบาปอากุศลการที่เราอาภัยให้แก่บุคคลผู้ล่วงเกินตนอย่างนี้นะนั่นหละสะอแสดงถึงจิตใจของผู้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็จะไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใด เมื่อเป็นเท น, นี่ก็ไม่มีบาปติดตัวแนะนนให้เข้าใจเพราะอายุสังขารที่ดวงจิตอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนิดเดียวหนึ่งคิดดูให้ดีไม่ทราบจะทำบาปไปทำบาปไปทาไมอ่ะในเมื่อกายวาจาทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษแต่ใจทางหากเป็นผู้รับผลของบาป รมที่กายวาจาทำพูดไปนั่นอพิจารณาให้มั น, นเข้าใจให้ดีอันดวงใจดวงจิตนี่นะมันเมื่อเมื่อเราเมื่อสะสมความอยากให้หนานแน่นขึ้นในใจมันก็เป็นเช่น น, นั่นแหละมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนอีกด้วยมันย่อมอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นเอง อยากทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นบาปกรรมมันจึงมาแต่งรูปร่างกายอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือน่าสยดสยองให้ได้อาศัยเช่นดังตาราท่านกล่าวไว้บาปกรรมแต่งรูปร่างของสัตว์รกให้ดวงจิตนี่ได้อาศัย หรือบาปกรรมไปแต่งรูปร่างของเปรดตัวใหญ่ท้องคุย้ยหรือว่าสูงเท่าต้นตาลนในตำราท่างกล่าวไว้ไอเปรดนี่ น, ะนี่แหละบาปกรรมมันตกแต่งให้ดวงจิตได้อาศัยไม่ใช่มันสบายนะไปเป็นเปรดแล้วนะทั้งอดทั้งหิวอาหารการบริโภค เพราะว่าแต่เป็นมนุษย์นั่นมัวเมาแต่เพิดเพลินในกรรมมกุณมัวเมาแต่ทำบาปไม่ทำบุญกุศลให้เป็นที่พึ่งของจิตใจไว้ดังนั้นเมื่อตายไปสู่โลกหน้ามันก็มีแต่บาปกรรมเท่านั้นแหละนำไปแนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอืมมีแต่บาปกรรมนั่นแหละเป็นอาหารบาปกรรมเป็นอาหารก็ มีตัง้งแต่ของที่มันทำลายสังขารร่างกายเนี่ยเป็นอาหารในบางนรกบางหลุมท่านกล่าวไว้ว่าได้แ ก, ก่นรกนรกทองหม้อทองแดงคือนรกหน่วย น, นั้น่ะเป็นหม้อทองแดงน้ำร้อนก็เป็นน้ำทองแดงเดือดพ่านพ่านอยู่ น, นั่นเอง ผู้ใดทำบาปกรรมดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเนี่ยบาปกรรมมันจะซัดให้ไปตกนรกหม้อทองแดงนั้นเองนะมันเพ็นงั้นเอานายริยาบาลเอาน้ำทองแดงนี่ร้อนๆนันกรอกปากปากเข้าไปเอาน้ำร้อนนั้นก็ไปทำลายตับไตไส้พุง ให้เปื่อยละละเปลือยละลายออกไปคราวนี้ก็ตายแล้ววันนี้่ไะแต่นรกตนนั้นก็ตายอ้าวเมื่อบาปกรรมยังไม่หมดก็เกิดขึ้นมาอีกส่งมาเสวยทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกเพก็ อ, อย่างนี้แหละบุคคลพูดสั่งสมบาปกรรมใส่ตัวเองไม่เชื่อคําสอนของพระเจ้าไม่เชื่อแหละมันถึงไม่ทําตาม ผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นแหละทำตามให้เข้าใจความเชื่อนี่พระพุทธเจ้าจึงคื่อตลาดใจว่าศรัท ธ, ธาพันธติปัสยังแปลว่าศรัท ธ, ธาคือความเชื่อเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งสเบียงคือกุศลดังนี้นั่นแล้วพอเป็นความจริงเลยตามพุทธภาษิตนี้ เมื่อบคุคคลใดมีความเชื่อมั่นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปและกรรมละเสียซึ่งบาปทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเข้าแทนบนัดนี้เมื่อตนทำบุญแล้วตนก็น้อมความดีนันเข้าไปอยู่ในใจิตใจไม่ปล่อยให้กุศลความดีนั่นมันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปพายนอก บุญกุศลนี่เราต้องน้อมนะเราต้องทำความพอใจถึงมีอยู่ในจิตใจได้ถ้าบุคคลใดไม่ทำความพอใจไม่เ อ, อืบอิ่มในบุญในกุศลนี่แล้วเหมือนเฉยเสียอย่างนี้บุญก็ไม่อยู่ในจิตใจของผู้นั้นผู้นั้นก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะไม่มีที่ ไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐมีแต่กิเลสบาปธรรมแผดเผาให้เราร้อนให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ลองคิดดูให้ดีบุคคลผู้ไม่มีบุญคุณเป็นที่พึ่งแล้วนะมันก็มีบาปนั่นแหละหมายความว่าบุคคลละทิ้งความคิดที่เป็นบุญกุศลแล้วมันก็คิดปไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดื อ, รอดร้อนนั่นแหละเนี่ยให้สังเกตดูบุญบาปไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่จิตใจคนเรานี่ต่างหากนี้เดีวเมื่อรู้อย่างนี้จะทำอย่างไรบาปนี้จึงจะถอนออกไปได้ก็ต้องภาวนาเพ่งพินิษ์แหละ เพ่งทินิษเห็นว่าบาปนี้เป็นธรรมรมอันเป็นฝ่ายอากุศลนำทุกข์นำโทษมาให้แต่ก็ไม่ยังยืนเพราะเป็นธรรมรมธรรมรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมแปลปวนดับไปทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอากุศลก็ตามมันก็มีเกิดขึ้นมีแตกดับทำลายไปเป็นอยู่นั่นแหละ ดังนั้นผู้ที่มาเพ่งดูอารมณ์ของจิตที่ประกอบไปด้วยอกุศลอย่างว่านี่รู้แล้วก็เพ่งกําหนดใจละอืมเพ่งกําหนดใจละอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั่นเช่นความโกรธ ค, ความโกรธ ค, ความหลงโมนี่แหละมันเป็นอารมณ์ของจิตให้เกิดอกุศนดังนั้นเราจึงเพ่งละความคิดเพ่งเลงไป ต้องการอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะก็จะให้มันคิดนั่นเป็นทางบาปอากุศลเตือนตนเข้าไปความคิดเมื่อเกลียดใครทั้งใครขึ้นมาโดยหาว่าคนผู้นั้นเบียดเบียนตนทรมานตนอะไรต่ออะไรหมดนี้นะมันยึดถืออารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงแล้วมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบัน อืันจิตยอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นอกุศลเอ่มันประกอบไปด้วยโทสะพยาบาทอย่างนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจความคิดอย่างนี้ต้องเพ่งใจแล้วกําหนดละจนกลัวมันจะดับไปเมื่อยังไม่ดับเราก็ไม่หยุดเพ่งเพ่งอยู่นั่นแหละเพื่อเพ่งนานเข้าก็เป็นตป่าธรรม ทำมาอันที่เราเพ่งอยู่นี่มันก็มีเดชมีฤทธมีเดชได้แก่เมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่นะเพ่งนานๆเข้ามันก็มีฤทธมีเดชขึ้นมากำจัดความโกรธความมายาบาดทั้งหลายให้ระงับดับไปจากจิตใจนี่ได้อมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้วิธีละปาปอากุศลในความโลภเราก็ เพ่งสันจุดถีตามถือเอาตามความยินดีตามมีตามได้เป็นอารมณ์อย่างนี้นะเพ่งอารมณ์แห่งความไม่ความอยากอันไม่มีประมาณนะ่ะไม่มีเวลาพอนะนะั่นน่ะเพ่งอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้มันคิดขึ้นมาไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายกายเป็นว่มีสิ้นสุด นั่นะมันเป็นเนตได้ทำบาปเพราะความอยากมันเหลือล้นนั่นเองเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้นแล้วก็เพ่งอารมณ์เหล่านั้นละมันหายใจเข้าเราก็กาหนดละความโลภอันนั้นหายใจออกก็กาหนดใจละความโกรธหายใจเข้ากาหนดใจละความหลงหายใจออกมาก็พยายามละความโกรธสลับกันไปอยู่เนี่ยเรา เ่งลมหายใจเขาออกนะก็เพื่อที่จะกำหนดละอารมณ์ที่เป็นบาปอากุศลต่างๆนี่เองนะส่วนบุญกุศลนั้นเมื่อบาปละ ง, งับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วบุญกุศลที่เราทำมาแต่ ก, ก่อนจนถึงปัจจุบันมันก็โผล่ขึ้นมาให้จิตได้รู้ได้เห็นหรือว่าการที่จิตสบายเมื่อ บาปกระทำ ม, มันระ ง, งับไปแล้วจิตก็เบาก็ปลอดโปร่งสบายขึ้นมานั่นแหละบุญกุศลมันเกิดต้องให้เข้าใจเมื่อเราไม่ทำอุบายแยบภายในใจบุญกุศลจะไม่เกิดขึ้นใน ใ, นใจนะให้เข้าใจบุญกุศลมันเกิดขึ้นก็เพราะเรากระทำใ น, ในใจต่างหาก บุคคลผู้ทำบุญเนี่ยจิงอยู่ทำด้วยกายพูดด้วยวาจามีจิตใจนั่นแหละเป็นผู้นำเป็นผู้บัญชาให้กายทำวาจาพูดแต่เมื่อใจบัญทากายให้วาจาทำและพูดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วใจไม่จดจ่อวันนี้นะปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันดับไป แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนนี่แหละทำไม่ใจเศร้ามองขุนมัวไปทีละแต่ละกองเมื่อครอบงำจิตใจแล้วใจก็เศ้ามองขุนมัวไปอย่างนี้นะเมื่อใจเศ้ามองขุนมัวแล้วก็คิดไม่คิดที่จะทํำบาปอ่ไม่คิดที่จะทําทบุญกุศลอะไรแล้วมีแต่มันคิดไปในทางบาปนั่นแหละใจเศร้ามองแล้วคุนอมมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเลยให้พึ่งพากันสังเกตดูให้ดีก็เมื่อเราปฏิบัติให้ผ่านด่านแห่งบาปอากุศล น, นี่ไปไม่ได้แล้วมันจะก้าวไปสู่เ อ, อสวรรค์พระนิพพานได้ยังไงแล้วแม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้อย่าว่าแต่นิพพานเลยเมื่อบุคคลละบาปไม่ได้ได้อย่างนี้จะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนี่แหละ แั่นั้นบุคคลจะไปสวรรค์ได้มันต้องผ่านด่านแห่งบาปอาคุลคือความโลภโกรธหลงนี่ไปก่อนคือเพ่งกำจัดอารมณ์ทั้งสามอย่างนี่ให้มันลังงับดับไปจากกิจใจนั่นแหละแล้วความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงถึงจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นะเมื่อความไม่โลภเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไม่ได้ไปแย่งทิงเอาสมบัติเปิมาเป็นของตอน มันก็ไม่ไปรักไปล่อไปช่อบไปโกงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนแลวมันก็ไม่ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจำการกรรมทำชู้กับสามีภรรยาองคนเืินแล้วมันก็ไม่ได้กล่าวโดสาวารถพูดเท็จพูดชอเสียดพูดคำยาเถื่อเจอไม่ดาไม่แช่ง ไม่พูดเสียบแทงให้ใครเจ็บอกเจ็บใจแล้วมันก็ไม่ต้องการที่จะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนอันเป็นของเสพติดให้โทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า ม, มันก็มันก็ไม่ไปทำบาปหรอานี้แหละถ้าจิตประกอบไปได้วยเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วาะเอ็นดูทั้งตนเอ็นดูทั้งผู้อื่น ก็ไม่ต้องการอยากให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีไม่ต้องการให้ตนไปตกนรกหมกไหมไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรต่ออะไรอยู่พะไปเกิดเช่นนั้นย่อมมีแต่ทุกข์ถุกไม่มีเลยนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นจะไม่หล่อเลี้ยงความโลภโกรธหลงนี้ไว้ในใจเลย อย่าภาวนาเพ่งละมันอยู่พอไปนั่นมเมื่อใจเราไม่ชอบแล้วนะ่ะมันก็เพี้ยนละแหละจะไปเอาไว้ทำไมอะเหมือนอย่างของบางอย่างที่เราไม่ชอบใจอย่างนี้นะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษถ้าขืนถือไว้อย่างเช่นว่าไปหลงจับหองูเห่า่งนี้นะอ้าวนี่เป็นงูได้เนี่ยมัน มีงูมีพิษเนี่ยมันจะกัดมันจะทำลายชีวิตของคนนะอย่างนี้นะมันก็จับซัดงูนั่นทิ้งไปไกลนู่นนะอ่ไม่ได้เอาเขามาใกล้ตัวแล้ววันนี้นะพอรู้แล้วสัตว์มีพิษมันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนใครไปแตะต้องมันมันโกรธมันพอมันได้โอกาสมันก็กัดเอาเลยอย่างนี้นะท่านใดบุญกุศลก็เป็นบาปกรรมทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลไปสะสมมันไว้ภายในจิตใจแล้วอย่างนี้มันก็ออกฤทธิ์เป็นขาวๆเมื่อมันออกฤทธิ์มันก็ทำใจให้เอาร้อนมีแต่โมโหโทโศไปอย่างนั้นหละคนใจบาปนะอันซึ่ึงจะให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่มีใครมาแตะต้องตอนนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ยอมให้อภัยเราจะต้องตอบโต้คืนเอาจนได้ ดำรีดในใจอยู่นั่นแหละเมื่อไม่ได้ตอบโต้ในปัจจุบันก็ผูกใจเก็บไว้ภายในเมื่อได้โอกาสเมื่อใดก็ตอบแก้แค้นตอบแทนเมื่อนั้นถ้าไม่ได้ตอบแทนในชาตินี้ก็ผูกใจเก็บไว้เกิดไปชาติหน้าขอให้ได้ตอบแทนมันนี่ท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวินนี่นะมัน เราต้องเพ่งพิจนารณาโดยเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วก็เพ่งละมันเท่านั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันมีโทษเ้าจะเอามันไว้ทำไมอ่ะที่บุคคลสั่งสมไว้ก็เพราะมันไม่เห็นโทษของมันนั่นเองนั่นแหละมันถึงไดสงส้สั่งสมเอาไว้แล้วบาปบุญก็ดีมันอยู่ที่จิตใจนั่นแหละถ้าเราไม่เพ่งใจนี่แล้วบาปก็ไม่ระ ง, งับอ่ะ เราจะไปเพ่งอย่างอื่นไม่ได้บาปมันไม่ระ ง, งับเพ่งใจนี่โดยเฉพาะบาปมันจึงจะระ ง, งับไปเมื่อบาปมันระ ง, งับลงไปแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเป็นใจเบาไม่นักน่วงนี่ลักษณะของบาปมันดับไปจากจิตใจใจก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาเอ่ก็ตั้งมั่นด้วยดีนั่นแหละใจที่ สร้างมั่นโดยดีนั่นแหละมันก็เป็นโอกาสที่จะให้ได้บำเพ็ญเจริญวิปัสนาปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนเพราะฉะนั้นนะอย่าไปประมาทผู้ใดประมาทแล้วลุ่มหลงก็ะทำบาปกรรมมาแต่ก่อนบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ระงับดับไป หรือมาทำาอาในปัจจุบันนี้ก็ดีมันก็ติดต่อย้อยตามตนไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้เป็นให้พ้นเป็นทุกเมื่อนั้นนี่ต้องคิดให้มันเห็นนะอย่าไปเข้าใจว่าไอ้บาปกรรมที่ตนทามาแต่ก่อนนะเมื่อตนไม่ทำมันแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น เราต้องเพ่งใจอธิษฐานใจละเว้นจริงๆอย่างนี้นะเพ่งเมื่อเมื่อบาประงับลงไปแล้วใจมันส ง, งบลงไปได้เช่นนี้เราจึงรู้ได้ว่าบาปมันระ ง, งับไปให้เข้าใจอย่างนี้บาปที่ทำมาแต่เมื่อรู้เรียงสามานนจนถึงปัจจุบันมันถึงจะไม่ตามสนอง ในเมื่อเราละเ แ, แล้วเราเห็นโทษเมืเราละมันแล้วแต่ก็ต้องเพียรละอยู่เรื่อยไปนะเพียรภาวนาเพ่งอธิษฐานใจละบาปกรรมนี้เรื่อยไปเช่นนั้นไม่ใช่ภาวนานั่งเฉยๆอยู่แล่าไม่คิดลึกอะไรเช่นนี้จะให้บาปกรรมมันระงับไปไม่มีทางนะืะดังนั้นแหละ เราก็พร้อมกับการเจริญวิปัสนาประกอบด้วยเข่งธาตุสี่ขันธ์ห้า น, นี้ลงให้เห็นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันบาปตกแต่งก็ดีบุญตกแต่งก็ดีล้นวนแต่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรนแตกดับไปเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมาคือความรู้สึกนึกคิดต่าง อันเป็นฝ่ายบาปก็ดีบุญก็ดีเหล่านี้มันมีความดับไปเป็นธรรมดาอา้าวเมื่อบุญดับแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งนี่พูดถึงำทำทำขั้นสูงขึ้นไปบุญและบาปมันไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นแต่ว่าห ม, มายความว่าอารมณ์ที่ทำใจให้เบิกบานผ่องใสนั้นมันเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นแหละ แต่เมื่อบุคคลละบาปกรรมลงไปแล้วอย่างนี้บุญมีแต่บุญตั้งอยู่อย่างนี้นะบุญนั้นถึงดับไปมันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ดับไปก็เกิดขึ้นมาอีกอยู่งนั้นแหละแต่ที่ไม่ดับแท้ๆก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนั่นแหละอันนั้นเป็นหน้างเง่าของบุญกุศลอันนั้นคือความไม่โลภนะเมื่อเรา เชื่อมั่นในใจว่าความไม่โลดไม่โกรธไม่หลงนี่แหละคือตัวบุญตัวกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็รักษาความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละรักษาใจไม่ให้มันโลภมันโกรธมันหลงอย่างที่ว่านั่นแหละไว้เพ่งเห็นความเกิดความดับของรูปของนามอันนี้อยู่เสมอออย่างนี้แล้วก็บาปอากุศลมันก็ยอมระงับไป กุศลก็ตั้งมั่นขึ้นใน จ, ใจิตใจเมื่อเราบำเพ็ญในมากๆเข้าไปมันก็รวมกำลังกันเข้าเป็นอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละจะ ต, ตัดสังโยชน์ให้ขาดจา ก, กจิตใจของตนของตนให้หมดไปทั้งลากทั้งเงาของกิเลสปปะพธรรมต่างๆดังแสดงมา